รัธรรมเทศนาแผ่นที่88ดสิดลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่3กุมภาพันธ์2559มีชื่อเรื่องว่าปาฏิหาริย์สอย่างวันนี้เป็นวันพุทธ ที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2559วันนี้รู้สึกว่าหนาวหลงบังนะลูกหลานตั้งแต่วันที่หนึ่งเขาบอกทางกรมทางกรมอุตุเขาบอกว่าวันที่หนึ่งจะหนาวก็เริ่มหนาวอย่างที่ว่า แต่หนาวครังก่อนตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่28วันที่29รู้สึกว่าอุ่นขึ้นอพออุ่นขึ้นมากับวันที่หนึ่งเริ่มหนาวอีกแล้วก็วันที่สี่จะหนาวจงวันที่สี่ต่อไปก็คงจะเข้าเขตฤดูร้อนละทีน่นี่พอมันเดือนกุมภาแล้วกุมภามมนา มีนาก็รู้สึกอากาศจะร้อนขึ้นมาเมษายนเต็มที่เนี่ยนะดินฟ้าอากาศในเมืองไทยเรามีอยู่สามฤดูฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนอันนี้กะกำลังจะเข้าเขตเข้าฤดนนะูเขตร้อนแล้วนะปลายปไปเขตฤดูหนานะวแล้วพวกคนเวียน วกมวนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่บันคืนเดือนปีมันเปลี่ยนแต่ชีวิตของเราเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยเดินไปข้างหน้าไม่มีถอยหลังอย่างลุงพ่อนะ่ปีนี้อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วปีหน้าก็เจ็ดสบสองเจ็ดสิบสามไปเรื่อย ไม่หวนกลับมานับหนึ่งใหม่ชีวิตของเรามจะเดินไปข้างหน้าแกไปเรื่อยแกไปถึงไหนแกไปถึงจุดจบของชีวิตเมื่อถึงจุดจบแล้วจะไปไหนอันนั้นต้องศึกษาแล้วทีนี่เหมือน เ, เราอยู่ในเมืองไทยถ้าอยู่ในเมืองไทยเสร็จแล้วเนะี่ยเอ๊ มันเมืองไทยมันเดือดร้อนอมันหาความสุขไม่ได้เราจะไปประเทศไหนอันนี้เราต้องศึกษาแล้วแต่ น, ะนี้ก็เหมือนกันชีวิตของเราเมื่อถึงจุดจบแล้วเราจะไปไหนแต่มันไม่จบอยู่ที่เพียงแค่นั้นนะมันจะต้องไปไปข้างหน้าเรื่อยจะต้องออกจากพบจากชาติไปแล้วมันจะต้อง เดินไปข้างหน้าอันนี้เราต้องศึกษาอะไรทีนจุดนี้นะเพราะวิชาของพุทธศาสนาเนี่ยอุบัติขึ้นมาเราวเกิดขึ้นมาเนี่ยศึกษาในเรื่องนี้โดยตรงแต่เรื่องวิทยาศาสตร์เขาก็พูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์เขาก็พูดเกษตรศาสตร์อันนี้เรื่องจิตศาสตร์มันเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนามธรรม ศึกษาเรื่องนา ม, มธรรมของมนุษย์พุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาเรื่องนา ม, มธรรมเรื่องแนวความคิดอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานอามิชบูชาปฏิบัติบูชาอามิชบูชาก็คือการเป็นอยู่ ด้วยอา mith ดูแลอุปธรรมประทากเกือ้อกุนหนุนกันเรื่องอามิ t h อา mith บูชาปฏิบัติบูชาคือถึงทางด้านจิตใจใจนึกคิดเรื่องอะไรแต่อาิ i t h บูชาเป็นเครื่องเกือ้อกุนหนุนปฏิบัติบูชาแต่พระพุทธเจ้ายกย่องเรื่อง ปฏิบัติบูชาเหนือกว่าอย่างการแนะนำสั่งสอนก็เช่นเดียวกันการแนะนำสั่งสอนการวางศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกตรัสไว้อีกเหมือนกันอันไหนเลิศอันไหนย่อนกว่าที่ย่อนกว่าก็คือ อิทธิปฏิหารการแสดงฤทธิ์ได้อาเทศนาปฏิหารการดักใจทายใจของคนอื่นได้อนุสาสนปฏิหารการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวด้วยหลักเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจตามหลักเหตุและผลอันนี้เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยเป็นเลิศ เลิศกว่าปฏิหารสองอย่างเหมือนกับว่าอามิจบูชากับปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาเป็นเลิศกว่าอามิจบูชาอันนี้อนุสาสนีปฏิหารเลิศกว่าอนุาสาอิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารอิทธิปฏิหารคืออะไรอิทธิปฏิหารคือแสดงฤทธิ์ได้ ทำตัวเองคนเดียวให้เป็นหลายคนได้หาเห<อ>ินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้พวกรือสีชีพัยเขาทำได้พุทธศาสนาทนี่ทำได้พวกพุทธเจ้าพระหัตถสาวพวกภูมิอิทธิฤทธิในี่ทำได้เรียกว่าอิทธิฤทธิแสดงอิทธิฤทธิอิทธิปฏิหารอาเทษนาปฏิหารดักใจทายใจคนมาหานี่นึกคิดเรื่องอะไร ดักใจทายใจได้เป็นที่ยอมรับนี่บอกอเทศนาปฏิหารอนุสาสดีปฏิหารผู้เข้ามาแล้วฟังอ้างอ้างเหตุอ้างผลให้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุอย่างนี้นะมันจึงเป็นผลอย่างนี้เป็นผลอย่างนี้มันมาจากเหตุอันนั้นทําดีอย่างนี้จึงเป็นผลอย่างนี้ ทำชั่วอย่างนั้นจึงเป็นผลอย่างนี้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านยกย่องหว่าอนุสาสนีปฏิหารนี่เป็นเลิศต้องว่าแสดงฤทธิ์ขึ้นมาแสดงฤทธิ์ได้คนทั้งหลายก็ยังชอบเพราะแสดงฤทธิ์ได้แต่แสดงฤทธิ์จบแล้วก็ก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อไปอีกคนที่ทําชั่วก็ทําชั่วคนที่ทําดีก็ทําดีอย่างเก่าไม่มีอะไร ที่จะนอกเหนือพอกพูนขึ้นไปแสดงดทิศให้ดูแล้วก็จบได้ยินได้ฟังแล้วก็จบอัธยาอัธนาปฏิหารดักใจทายใจผมคิดเรื่องอะไรดักใจพูดให้ฟังได้แล้วก็จบแต่ส่วนอุนุสาสนีปฏิหารเนี่ย อ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะในพระไตรปิฎกในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยว่าอนุสาสนีปฏิหารเลิศกว่าปฏิหารสองอย่างนั้นแต่ถ้าหากเราได้ทั้งสองอย่างมาประกบกันทั้งอิทธิปฏิหารด้วยทั้งอธิสนาปฏิหารด้วยแล้วก็พร้อมกัา อนุสาสนีปฏิหารด้วยก็ยิ่งเลิศเลิศประเสริฐที่สุดเพราะเหตุใดเพราะบริบูรณ์แต่ถึงจะอันเอาจุดเลิศไปแสดงธรรมอนุสาสนีปฏิหารไปอ้างเหตุให้ผลให้ผู้ฟังเข้าใจแต่คนที่มีทิฏฐิมากเ้ยเอ อ, เ, อ, อเขาพูดก็จริงอยู่เหตุผล อ, อ่า แต่ก็ยังงั้นยางงั้นแหละแต่พอแสดงเล็ดให้ดูเอะอืมใช่ใคล้ายๆกับอนุสาจะิปฏิหารเยมีดีกลีขึ้นมาเลยเถอะเนี่ยพบได้ดูอิทธิฤทธิ์และดักใจทายใจได้อีกอืเออที่เป็นที่ยอมรับขึ้นมาอีกสรุปแล้วก็คืออิทธิปฏิหารก็ดีอเทศนาปฏิหารก็ดี เป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องเสริมอนุสาสนีปฏิหารมันหนีออกจากกันไม่ได้ทั้งสมอย่างอิทธิปฏิหารก็ดีอเทศนานปฏิหารก็ดีอนุสาสนีปฏิหารก็ดีไปด้วยกันแต่ว่าอันไหนเลิศก็อย่างที่หลวงพ่อได้ชี้แจงให้ดูแสดงเลตให้ดูแล้วให้ฟังแล้วก็จบก็ไม่รู้จะอะไรต่อไป เพรไม่ไ ม, ไม่ไม่อ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลอันนี้ทำดีอันนี้ทำชั่วอันนี้บุญอันนี้บาปบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แสดงที่แทนดูแล้วก็จบดักใจทายใจแล้วก็จบมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าอนุสาสนีปฏิหารแนะนำสั่งสอนถ้าผู้มีเป็นท่าว่าผู้มีอุปนิสัย มาดั้งเดิมติดภพติดชาติมาแล้วเคยเป็นหรือสีชีพายมาเคยปฏิบัติคุณงามความดีมาในอดีตชาติก็ไม่จำเป็นจะต้องแสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่ต้องดักใจทายใจอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นที่ยอมรับเท่านั้นแหละลงลงเลยลงใจเลยเออใช่เนี่ยเหตุผลมันเป็นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้อย่าง น, างนี้อย่างนี้นะต้อง ปฏิบัติตนอย่างนี้นะอันนี้คือศีล น, นะศีลห้านะอย่าไปเบียดเบียนคนตนและผู้อื่นนะเมื่อเมื่อเราไปเบียดเบียนเขาเขามาเบียดเบียนเราในเมื่อเราไปเบียดเบียนเขาใช่เราไม่รู้สึกยังไงเพราะเราไปทําให้กับเขาชะใจเราอีกต่างหากพราะเราไปทําให้กับเขาแต่เมื่อเขามาทําให้กับเราล่ะ เอเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราจนตรอกจน ม, มุมมีอํานาจน้อยกว่าเขาเหนือกว่าเขามาเหยียบเรานะ่ในใจของเรามีความรู้สึกอย่างไรนั่นแหละในเมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาก็เสียความรู้สึกอมีความทุกข์ใจในเมื่อเขามาทํากับเราเราก็ทุกข์ใจนี่แหละอันนี้ก็คือกฎระเบียบอะไรท่ากฎหมาย จะว่าศีลหรือวินัยหรือการอยู่ด้วยกันจะต้องมีกฎกติกาอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันดีไหมพวกเราก็ถ้าไม่ถ้าหากว่าตัวเองมีอำนาจอยู่เอาเปรียบคนอื่นเราเขาว่าไม่ดีแหละแต่เมื่อเราเมื่อเมื่อตัวเองด้อยกว่าเขาเมื่ อ, อไหร่ เราก็ต้องยอมรับเพาอื่นใช่กฎติกากฎกติกานี่ดีเป็นที่ยอมรับไม่เบียดเบียนกันได้ดีนี่อันนี้แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะอันนี้เราศีลและวินยัยศีลห้าเนี่ยที่พวกเราดูดูใช่ศีลห้าของพระพุทธเจ้าอย่าคิดฆ่ากั น, อ ย, กนอย่าคิดขโมยกันอย่าคิด ล, ลาบลล่วงในสามีภรรยาลูกหลานซึ่งกันและกัน อย่ากโกหกต้มตุลนหลอกลวงซึ่งกันและกันอย่าไปดื่มสุราให้ขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วน่ากลัวทำความชั่วเสียหายใ้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติต้องสํารวมนะการอยู่ด้วยกันต้องให้มีกฎ ก, ฎกติกาหรือศีลการอยู่ด้วยกันจึงจะร่มเย็นเป็นสุขได้นี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคาสอนพุทธะที่ท่านได้ตรัส ได้บอกได้กล่าวเอาไว้ทั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีอันนี้เราอนุาสาจะนีปฏิหารเออเรามาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วใช่ยอมรับเป็นหลักธรรมที่คำสอนที่พิสูจน์ได้ชัดจริกชัดเจนในเมื่อทำไปทำให้กับเขาเขามาทำให้กับเราเราไปขโมยเขาเขามาขโมยของเรา เราไปประพฤติปิดในสามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาเขามาทำให้กับเราเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขามาต้มตุนหลอกลวงโกหกเราแล้วเขาดื่มสุราขาดสติอารถเอารถมาชนเรามาเหยียบเราเออมาใช้อาวุธมีดปืนผาหน้าไม้มาทำร้ายทำลายเราเพราะเขาขาดสติและเป็นยังไงถ้าล้าถ้าเราไปทาให้กับเขาลราเป็นยังไงเรายอมรับได้เออ อันนี้นะ่ยอนุสาชนีปฏิหารเพราะอ้างเหตุผลให้ผู้ฝังเข้าใจยอมรับนี่อันนี้เราว่าอนุสาชนีปฏิหารไอ้อิทธิ ป, ปฏิหารก็แสดงฤทธิ์ให้ดูเหรเดินว่ายดูดักใจทายใจว่าคุณคิดเรื่องอะไรมาทําไมเพื่ออะไรแต่พอทําลายทายทักไประละกะจบแต่ถ้าได้ทั้งสามอย่างเข้ามาบวกปนวกกัน ก็เลิศประเสริฐนี่แหละที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานนี่ว่าปฏิบัติบูชามันเกี่ยวมันสืบมันเป็นเครื่องเครื่องเกื้อกูลหนุนกันอกับอาบกับปฏิบัติบูชาอามิดฉบูชามันเกื้อกูลหนุนกันกับปฏิบัติบูชาแต่มีแต่ปฏิบัติบูชาอย่างเดียวไม่มีอามิดฉบูชาพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้อ การอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้ไม่มีความเอือเฟื้อเอื้ออารีต่อกันวันนั้นเรามองโลกเราจะไปมองแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งมองภาพรวมเพราะโลกใบนี้มันอยู่ด้วยกันด้วยด้วยภาพรวมพึ่งพาอาศัยกันมีเมตตาต่อกันมีความเอือเฟื้อเอืออารีต่อกันแต่ส่วนตัวนะ แต่ส่วนตัวพระพุทธเจ้าสอนให้สมาธินอันนั้นคือศินกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันสมาธินี่คือพยายามดูจิตใจของแต่ละคนแต่ละท่านอย่าไปส่งจิตส่งใจอย่าไปเบียดเปลี่ยนตนและผู้อื่นใจของเราเนี่ยนะต้องดูมันมีอา ร, ออารมณ์อะไร <c oughs> ในใจของเรามีอารมณ์โกรธหรือมีอารมณ์รักหรือมันหลง ว่าตัวเองจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ใจตอนนี้ ก, ก่อนที่เราจะรู้ในจุดนี้เนี่ยท่านวอกต้องนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในเมื่อดูลมหายใจเข้าหายใจออกสติของเราอยู่กับตัวเองเท่นั้ในเมื่ออยู่กับตัวเองแล้วก็ดูใจของตัวเองได้เมื่อจิตสงบอืมเป็นพื้นฐานแล้วจิตไม่ปู๋ไม่ฟุ้งไม่ซ่านแล้วดูใจของตัวเอง เดี๋ยวในใจของเราคิดเรื่องอะไรมันคิดดีแล้วมันคิดชั่วเออมันคิดดีนี่คิดยังไงคิดชั่วนี่คิดยังไงคิดชั่วนี่คือคิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดพยาบาทปลองร้ายเขาเห็นผิดจากทํานองคลองทำเอ่อทำดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วเอ่อนาลกสวรรค์ไม่มีตายและสูญอันนี้คือคิดชั่ว เนคิดโลภอยากจะได้ของเขาจะทํำยังไงเมื่อโลภอยากได้ของวางแผนจะคดยังไงจะโกงยังไงจะใช้วาททะยังไงอจะใช้อํานาจวาสนาอย่างไงเอจะใช้กฎหมายตัวไหนมันวางแผนโลภอยากได้ของเขาอพยายามปองร้ายเขาเห็นเขาได้ดีเห็นเขาพยายามอเตะแข้งเตะขาเขา อิดช้าเขานะให้ทํำยังไงในจุดนั้นอีกเนะี่ยมันออกไปจากใจทั้งหมดเนลยพอดูใจของตนเองเสร็จแล้วมันรู้ได้แล้วว่าต้นตอของการกระทํามันออกไปจากใจในเมื่อคิดไม่ดีการกระทําออกไปก็ไม่ดีการพูดออกไปก็มันก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันคิดไม่ดีซะก่อนมันจึงทําไม่ดีมันจึงพูดไม่ดีก่อนที่จะดูที่ว่าจุดที่มันไม่ดีเนะี่ยเราจะดูได้ด้วยวิธีอย่างไร ถ้าคิดเอาเฉยๆเดาเอาเฉยๆเป็นไปไม่ได้ต้องนั่งสมาธิต้องจิตใจให้เป็นสมาธิก่อนให้จิตใจเป็นหนึ่งซะก่อนรวมเป็นหนึ่งเมื่อรวมเป็นหนึ่งแล้วเราจะดูได้ดูใจจุดนั้นดูความรู้สึกนึกคิดจุดนั้นในเมื่อเราเป็นเมื่อเห็น <c oughs> ใจของเราเป็นสมาธิดูใจของของเราแล้วรู้แล้วความนึกคิดจุดนั้นคืออะไรจากนั้นก็นามาพิจารณา ในโลกนี้ชีวิตของเราเป็นยังไงต่อไปภายภาคหน้ามันถึงจุดจบนะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะใจดวงนี้จะไปที่ไหนมนโนตัวนี้ความรู้สึกนึกคิดตัวนี้มันจะไปไหนพะพูดใจเจ้าดัานว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจ ใจคือตัวไหนคือตัวผู้รู้ตัวนึกคิดน่ยตัวที่รู้ๆแต่นั้ น, น่ะตัวนั้นสําคัญกว่าตัวอื่นทั้งหมดในร่างกายของมนุษย์อันนี้เลวันนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มีความรู้สึกอยู่กับทุกค น, นตัวนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญจุดนั้น่ะมากกว่าจุดอื่นเพราะจุดนั้นเป็นต้นต่อเป็นต้นกําเนิด เป็นต้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นในพวกเราศึกษานะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะว่าไปก็สลับทับซ้อนพอสมควรแต่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็ตื่นถ้ามุผู้โง่เขาเบาปัญญาแล้วก็ลึกนะแต่ถ้า ผ, ผู้มีปัญญานึกคิดดูกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเราจะมองเห็นได้อันไหนควรอันไหนผิดอันไหนถูก อันไหนควรปฏิบัติตนอย่างไรควรดําเนินชีวิตอย่างไรอันไหนดีอันไห น, น, นชั่วเราต่อไปภายภาคห น, น้าเราจะไปที่ไหนตายแล้วไม่สู่นะตายเกิดนะต้องศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะจตหาญาติโยมลูกหลานทุกคนอันนี้หลวงพ่อเป็นผู้ชี้ประเด็นให้พวกลูกหลานคณะจตหาย า, าติโยมฟังอปฏิหารสาม อิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารปฏิบัติบูชาอมิชบูชาอามิชบูชาปฏิบัติบูชาปฏิบัตบิ บ, ตบูชาเลิศกว่าอเทศนาปฏิหารเลิศกว่าแต่พึ่งพาอาศัยกันจะไปโดดเดี่ยวอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะแต่ <c oughs> ว, ว่าถ้าเอาว่าผู้มีศรัทธาอยู่แล้วอนุสาสนาับ น, น้ปฏิหารนั่นเลิศกว่า ถ้ามีผู้ผมีศรัทธาอยู่แล้วปฏิบัติบูบชาี่ยเลิศกว่านะสมชายร้องละท เ, เอารับพรนทนถินเนอร